วิริยะอุปปัลกามีสัมปันโนอิติฏฐุภคววิริยะลมัตะลามสัมปันโนอิติฏฐุภควณบัดนี้จะได้ยินได้แสดงในวิริยะบาลมีของพระพุทธเจ้า ยังกำลังสร้างบำเพิญบารมีกองการกุศลชกแสวงหาธรรมะชกแสวงหาปัญญาชกเสวงหาบุญกุศลชกเสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์องค์พระพุทธเจ้าได้ปักบรนพระเนยยหาอยู่ตลอดกาลมา อันชีวิตที่ท่านได้เกิดมาในโลกแล้วท่านได้สร้าง อ, อกต่างใจบำปมเพรญของตนจนตลอดสระดับกันมายุคที่ท่านสมัยได้เกิดเป็นมหาชนกแปลว่าตกน้ำรอยว่ายอยู่ในมหาสมุทรถึงจ็ดวัน ยังไม่ล้มยังไม่หายยังไม่ตายยังมีชีวิตล่องลอยตันไปอยู่ในมหาสมุทรเท่าน้ำประกันใดใดไม่มีการที่จะได้บริโภคแต่ยังอดทนต่อสู้กันไปจนตลอดร้อนไปถึงนางนิทรา ที่เข้าสมโมสรในการทีวาดาทั้งหลายถึงเจ็ดวันกลลลึกขึ้นมาทันทีว่าตัวของเราคลั่งเผลอไปได้เจ็ดวันแล้วไม่ได้ไปตรวจ ด, ดูในมหาสมุทรและจะมีมนุษย์เล็กสัตว์ตัวไหน ที่จะได้สร้างบำเพ็ญกองการอุทิจะได้ช่วยเหลือให้แกิดพ้นชีวิตคันท่าเล้าผาท่าท่าวนี้ก็จะมีความติดถินยินพาเกตปัตุมสังคมในการพระอินทาราพอฉ น, นั้นตัวนางจึงในรีบไปทันที พอไปถึงแล้วเห็นมหาชนกว่ายน้ำอยู่ตลอดท่านยังถามว่าอันนี้ทำอะไรกันท่านว่าทำมิลิยะคือความเพียรพยายามพยายามเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์อันที่จะเป็นประโยชน์ของตนต่อไปภายข้างหน้า ตนของตนต้องพยายามทำไปอย่างนี้ตลอดไปคนมีปัญญาแล้วอันสิ่งไหนที่จะทำให้สำเร็จทิงนั้นเขาต้องพยายามทำไปเรียกว่าเป็นวิญญาณอันนี้มหาสมุทรไม่มีขอบวังดินแดนประกรนันใด กำลังของตนจะว่ายน้ำให้พ้นอันตรายเหล่านี้อันนี้พรนเรียกว่าคนโง่ทำเพื่อประโยชน์อะไรไม่ได้รับผลทิงใดๆทางนั้นมหาชนกตอบขึ้นทันทีว่าข้าพระเจ้าว่ายน้ำกระแรงของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าทำอยู่กับของข้าพระเจ้า ข้าพเจ้าทำอยู่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของข้าพเจ้าธรรมจามัณฑิตจงหลายต้องใช้ความเพียรของตนจนตลอดถึงวันตายเทวดาท่านมีธุระเรื่องอะไรจึงมาว่าพูดกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นคนโง้ท่านเป็นคนผู้ฉลาด ทำไมตัวของท่านเ้าจึงมาติถหินกระอาตมาก้าพระเจ้าเ้าคันว่าท่านเป็นคนผู้ฉลาดแล้วก็ร่มรู้จักทันทีว่าอันนี้คือสัตทั้งหลายเขาตกทุกข์ได้ยากตัวท่านก็จะมีความคิดความอ่านว่าคนนี้หรือสัตตัวนี้ มีผลประโยชน์อะไรให้เบื้องหลังมีผลประโยชน์อะไรต่อไปเบื้องหน้านี่ไม่ใช่หรือท่านเป็นเทวาดาผู้มีอภิญญาณยาวรู้จักเหตุผลของสัตว์ทั้งหลายในโลกทำไมท่านยังมาพูดอย่างนี้ผู้มีปัญญากันไรเทวาดาก็เลยเอ่ยขึ้นทันเทีโอข้าพระเจ้าผิดพลาดไปแล้ว บัดเดี๋ยวนี้จะถามตัวของท่านว่ายน้ํานี้เพื่อจะไปเมืองไหนท่านจะตอบขึ้นว่าจะไปเมืองมิถิลาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อต้องการอยากจะไปค้าขายในเมืองนั้นแต่สเภาวรือลํานี้ก็แตกอันตรายทัานไปจะไม่ถูกวายน้ําอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ ชาอย่างนั้นท่านต้องไกาต้องการจะไปเมืองมิถิลาไหมต้องการถ้าพระเจ้าจะเอาไปท่านจะไปไหมท่านมีผู้เอาไปถ้าพระเจ้าก็ต้องไปถ้าไม่มีผู้อบัยไม่มีใครเอาไปถ้าพระเจ้าก็จะจวายน้ําอย่างนี้ตลอดไปเมื่อพูดเท่านี้นางเมฆธาราก็ลงมา ให้มหาชนกขึคค้นกรอบถึงบนหลังของต้นแล้วก็เลยพาชาลไปเมืองมิถิลาไปพักอยู่ในสวนอุทิยานของกษัตริย์ในเมืองมิถิลาทันทีนี่คือมหาชนกแปลว่าวิริยปรามีสัมปัโนโนกิติชูภควา ใช้ความเพียรพยายาม จ, จนตลอดผลที่สุดตัวของท่านเองจนได้ชัยชนะอันสิ่งที่อันตรายคือการตกน้ำได้รับผลประโยชน์ผลที่สุดสุดท้ายก็ได้บวดเป็นพระษี บัำเพนบารมีกองการกุศลยุดสมจยมนั้นมายุอายุของมนุษย์ได้พันเจ็ดร้อยปีเมื่อท่านไปถึงเมืองมิถิลาเสวยของลากับนางศรีวดีต่อมาอายุได้หนึ่งพันปีกว่า แล้วก็ห น, นีออกไปเป็นฤาษีบำเพ็ญบารมีของตนส่วนนางศีวาลีม่นางสาวอยู่สามพันนางเป็นบริวารเมื่อห้ามปเป็นลายโทไหมหาชนกก็ไม่ฟังตรงห น, นีออกไปเป็นฤาษีให้ได้ตามความปรารถนาของตน ต่อจนั้นไปนามสีวลีกับบริวารสามพัน 3, องค์ได้พรมพากันไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในสวนอุทิยาให้แกพวกเสนาอำ ม, มาตย์ราชบริพานทั้งหลายทรงเข้าทรงปลากรันอยู่กินบรเพ็ญขครงตนตลอดไป จนได้เกิดอัญญารู้จักภาวะของมหาชนกผู้ปาถนาเป็นองคุตภักรู้จักภาวะตนของตนจะได้เป็นสัย ญ, ญาของมหาชนกเลยเคยทำกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนเศ่้า บัดเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างจะได้บำเพ็ญความดีของตนต่อไปภายทางหน้ามหาชนกผู้ที่อยู่ที่ใกล้ในป่าหิมมะพานก็รู้จักกระเสของนางกุศนธันนากันเนิ่มงจะทำความดีของตอนตลอดกันไปจนผลที่สุด อายุได้ถึงพันเจ็ดรอยปีก็ตามคนต่างลาโลกไปสู่พรมมาโลกสวยผลของตนกันอยู่ในเมืองพรมจิตติลงมาแล้วก็บำเพ็ญบรารมีอีกต่อไปจนผลสุดท้ายได้สำเร็จเป็นองค์พระชาตรา สวนนางศรีวาลีได้เป็นนางพิมพาผู้ที่บำเพ็ญบารมีนำด้วยกันมาตั้งแต่อเนกชาตั้งแต่เมื่อขาวยุบสมัยพุทธเจ้าอนุมาตถีพระพุทธนับแต่พระโคตมะย้อนถึงเมืองหลังได้สิพแปดพุทธะได้รับพยาก่อน ยศสมัยนั้นเป็นลูกของกษัตริย์ในเมืองของพระพุทธเจ้าอนุมาทสทิชวนพุทธเจ้าของเราเป็นลูกของปโลหิตได้ออกไปเป็นฤอษีบำเพ็ญบารมีอยู่ในป่า ได้แล้วหนึ่งห้าพันปีก่อนเลยเสด็จเข้ามาไในหินว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพั้งวแล้วพุทธเจ้าก็ตากให้ว่าลูศีเธอได้บำเทนญรับพยากรณ์แล้วจากพุทธเจ้าทิพปังกรกันมาบัดเดียวหน้าที่ของเธอต่อไปจะได้สําเร็จ เป็นองค์พุทธเจ้าแต่ไปภายทางหน้านางคนนั้นเกิดตีติมินดีก็ได้จอก บ, บัวสีดอกก็ไปไหว้วอนพุนลูศีต้องการจะเป็นแสญยาบัเพิญร่วมกันมาตลอดเป็นนิจจนผลที่สุดพุทธพโพชุักผู้เป็นลูศีอดทนไม่ได้ เลยได้รับดอกบัวสองดอกของนางสองดอกด้วยกันเท่าไปกับทูนองพระพุทธเจ้าพุทธองค์ก็ได้ตรัสให้ทันทีตะจะนีไปัจะได้บำเพ็ญติดต่อนำตันปจนตลอดจะได้สำเร็จมรรคผลจะได้ช่วนนงพิมพายัคโธทละ อันนี้แปลว่านางคนนั้นยุคสมัยนั้นเป็นคนหลบล้างดั้าหลังคามตาหนาตาก็ใหญ่รูปไม่งามแต่เป็นลูกของกษัตริย์จนครั้นตนโูทิสัตก็อดทนไม่ได้เพราะความไหวหวนของนางจึงได้รักดอกบัวสีดอกเข้าไปกราบุนองค์พระพุทธเจ้าด้วยกัน ในนแปล่าการบำเพ็ญของพุทธเจ้าโพสิมัติผู้สร้างบำเพ็ญกรมการกุศลขั้นต้นตลอดกาลมาเป็นระดับสูงสูงตำดำทุกทุกอยากยากล้ำลวยปัจจันในดันท่านก็ได้ตั้งอกตั้งใจตาดกำอยู่จนตลอดเป็นนิจการกันมา ความใช้เวียกในคราวเมื่อเป็นมหาชนุแปลว่าตั้งใจปกคลองมัานเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขสาบจนของตอนอายุสูงขึ้นมาพ้นมันได้แล้วต่อจานี้ไปไม่นานก็จะได้ถึงเกจกรรมจึงไน้หาพีทีหนีออกไปเป็นลๅษี บำเพนญบรารมีตับบักของตอนตัวหาผลทางแห่งความคนทุกพราะฉนันองค์พุทธเจ้าของเราเคยเป็นมหาเป็นบุตตชนเหมือนกันกับพวกเราอยากที่น้องบัดเดียวนี้เองแต่เป็นคนผู้ใช้ความเพียรพยญยามตลอดกันมาเป็นนิ ให้เราคิดอ่านในตัวของเราทุกๆคนนั่นเองการใช้ความเพียรพยายามหาหนทางแห่งความป่นทุกข์หาหนทางแห่งสิ่งที่ตนของตนนั่นเองจะได้รับผลประโยชน์คือความสุขเป็นมนุษย์เป็นที่วาดาตลอดกันไปควัไปตั้งอก ตั้งใจของตอนในธรรมะของดั่งดิงหลายที่ได้วางไว้แล้วอันหนทางที่จะไปสู่ความสุขคือเป็นทิวบุตรเป็นทิวดาแนให้เราใช้ปัญญาคิดอ่านให้ดีในใจของตอนทุกคนบัดเดี๋ยวนี้พวกเราเป็นบุตรชนอยู่ตลอดกันมา หน้าที่ของพวกเราอันจะมีการเกิดการตายในโลกต่อไปหลายภพชาอันการเกิดการตายของพวกเราเอาแน่นอนไม่ได้บางชีวิตก็ยืนยาวบางชีวิตก็สั้นเลพันตายบางชีวิตก็เป็นสัตว์สิงเดียร์สารบางชีวิตก็เป็นเปรตเป็นผี บางชีวิตก็เป็นเทวปุตเป็นเทวดาบางชีวิตก็ไปสู่นรกบางชีวิตก็ไปสู่สวรรค์บางชีวิตก็ไปตกนรกหน่วยลึกที่สุดคืออาวิชีบางชีวิตก็ต้องขึ้นไปสู่พุทมโลกอันนี้แปลว่าเรดในโลก ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพี่อได้ไป ต, ตกนรกสวยผลแห่งความทุกข์ชีวิตยอย่างนั้นไม่พบปกบันดิตตนของตอนเกิดมาก็าหากินกันไปตามยถกรรมไม่รู้ภาวะว่าความดีและความชั่วไม่รู้ภาวะว่าโลกนี้โลกหนาบุญบาปปักกั น, น่นใด ในขณะที่ฟักไฟหากินเลี่ยงปากเลี้ยงทอคของตอนไปเป็นวันเหมือนกับสักถ์สิงเดือสานพวกจาพวกกินยากเขาก็หากินเลี่ยงทองเลี้งใส่พวกจะหากินหมกไหม่ผลไหมก็หากินกันไปพวกจะหากินพวกวัลแงต่างๆก็ต้องวิ่งเต็นบินไปมาตลอดเป็นนิส อันนี้และเรียกว่าการเสดของคนเราที่มามีบัณฑิตแนะนําสั่งสอนตนของตอนความคิดอ่านอะไรไม่เกิดขึ้นสิ่งที่โลกนี้โลกหน้าในเจตพัญญาเรื่องการกินการอยู่การไปการมากันเน่นการจ่ายการหลักการนอนการสนุกเพิดเพลิน ปักกัรใดใรการทุกข์การอยากการหลงใหัวหลาะปัจการในโลกเหลานี้แปลว่าอันสัก์ทั้งหลายยังเป็นวุตตชนตนของตนตรวจมาในสัพพะบัณฑิตมีจะเพิ่มเติมแต่ความชั่วของตนตลอดกันไป เป็นมหาสนกแปลว่าผู้สร้างบำเพ็ญตั้งแต่อเนกชาตินิสัยพัฒนาความดีของท่านซักไว้ในใจของตนปัญญาความคิดอ่านจึงไม่เสียสละเมืองของตนหนีไปเป็นฤๅสีบำเพ็ญบารมีของตนตลอดกันไปนี่ให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคน เมื่อเราบาลมีเกี่ยวกาตนของตอนเกิดมาไม่ได้พบปะบัณฑิตในโลกส่วนของตอนจะได้บำเท็ญประการใดๆจริงความดีจะเป็นผลประโยชน์เหมือนพุทธเจ้าของเราเมื่อขาวเป็นมะหะมามนตร์คาวนั้นเป็นยุศูนยญยากักแปลว่าไม่มีบัณฑิต ไม่มีเลสีโยชีเกิดขึ้นในโลกไม่มีพยาจัคปตาสิลาเกิดขึ้นในโลกแนะนำสังสอนบนปา่าไม่มีปเจกพุทธอันที่จะมาโปรดสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่มีพุทธเจ้าอารหันต์ใดๆจะมีในโลก มีมนุษย์ทั้งหลายเกิดมากันกินกันอยู่กันไปตามเรื่องแต่พุทธเจ้าของเราขาวเป็นมคธมานุษย์ผู้มีปัญญาความฉลาดจึงได้ร้างบำเพ็นส น, นุนผลทางพุทธนำบอก่อกสลาลูกตนมันให้ล่มเป็นทาน จึงได้เป็นปัจจัยของคนตลอดมาได้สำเร็จมรรคผลเป็นองคษษ์าสดาเป็นอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในโลกผลที่สุดในวางภ萨ศาสนาไว 5, ้ห้าพันปีให้แก่พวกเราที่เกิดมาภายหลังได้พบปะธรรมะขององค์พุทธะ ตัวของเราให้คิดนึกว่าตัวของเราบัดเดี๋ยวนี้ผู้ผุกผลมีนิสัยปัดใจความดีของตอนมาแล้วตั้งแต่อเนกชาติาแต่ยังไม่ทันชัยชนะจนิงความชั่วใดๆใน ใ, นใจของตอนจึงเป็นนาทีของพวกเราอันจะเกิดต่อไปในโลกภายงหน้า ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ตัวของเรายังมีชีวิตได้พบปะแล้วคำรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าที่ได้ชีบบอกผลทางอันไปสู่นรกไปเป็นเปรสไปเป็นถีไปเป็นเถรดาไปสู่สวรรค์ไปพุมมโลกหรือไปเป็นมนุษย์ก็การใดใจพุทธเองค์ชี่บอกผลทางให้เราทางนั้น นให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราผู้มีนิสัยปัดจัยินดีต่อธรรมะขององคุตตะในตัวของเราทุกๆคนคือใจของเราเคยทบทบบันดิตกันมาแล้วตั้งแต่อเอกชาบัดเดี๋ยวนี้ให้ท่านทุกคนจงตั้งใจเพิ่มเติมความดีของตนให้มาก ในชีวิตนี้นาทีของพวกเราอันจะได้เพิ่มเติมความดีคือบุญกุศลและธรรมะตลอดถึงปัญญาความรู้ความฉลาดรู้จักภาวะความดีความชั่วโลกนี้โลกหนาเทียวดาเปตถีประกันใหส่ว น, นของตนจะได้เพิ่มเติมตัญญาให้เชี่ยวชาญให้รู้จักภาวะ สมความดีของตนไวเพื่อเราต้องการเกิดอีกต่อไปภายข้างหน้าเมื่อเกิดมาไม่ได้พบปะบันดิตจิตของเราเคยฝึกผลเป็นนิจัยเป็นปัจจัยตันมาเรียกว่านิจใจยะปัจจัยโยอุปนิจใจยะปัจจัยโยปูเาตตาปัจจัโย เราฝุกฝนเป็นนิสัยเป็นปัดใจติดตามตัวของเราเหมือนกับเงาเที่ยมตัวตวลอดเป็นนิสพัฒนาชาตาช า, า, าพัปัจจุบันบัดเดียวนีโจมเพิ่มเติมความดีของตนให้มากเราทุกคนให้พกไปตั้งใจย่าป้อนพากันขีดเกลยนที่ค้า ในการสร้างบำเทนความดีให้เราคิดนึกว่าตัวของเราบริโภคอาหารและทุกวันมันเป็นประโยชน์อะไรเราก็ไม่มีการละลดเว้นประการใดกินใจทุกวันทุกวันกินไปก็แก้เวทนากินใจก็แป้แปรว่าเลี้ยงหลางหลางตายอันนี้ ไปเป็นวันเป็นวันเท่านั้นเองจะเป็นคนหนุ่มจะเป็นคนอายุยืนยาวตลอดไปก็ไม่มีช่วระยะชีวิตของตอนก็ต้องตายกันไปทุกคนนั่นเองเมื่อแล้วตายหยัดไปจากร่างกายร่างกายอันนี้ตายแล้วได้อาลัยติดตามตัวของพวกเรา คือบุญกับบาปท่านเองเป็นสมบัติของใจใจของพวกเราคือสิมสถิตยอยู่ในร่างกายของตอนทุกคนในเวลาบัตรอยู่นี้การพยายามเพิมเ่มเติมความดีของตอนให้เกิดจิตจิตของเราอันจะไปเกิดสถ า, านใ ด, ดก็ต้องให้ใดบุญกุศลเป็นที่พิพักษารักษาตลอดกันไป อย่างนี้เององคุติเจ้าของเราเมื่อขาวเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์แปลว่ายัางสร้างบำเพ็ญกองการบูรณจึงได้ตั้งอกตั้งใจของตอนความ เ, เพีอยรพยายามตลอดกันไปเมื่อขาวตกราภ ม, มหาชนก็ได้ตั้งอกตั้งใจของตอนเป็นนิจจาร ให้รวมกันไปกว่านั้นตัวของท่านเคยเกิดมาของบำเพ็ญความดีของตนตลอดกันไปนีให้เราทุกคนจงคิดอ่านพุทธเจ้าเสนีกล่าวขึ้นมาแล้วในอดีตความเป็นมาขององค์พุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องอุทธรณ์สั่งสอนพวกเรางอยากที่น้องผู้เกิดมาอย่างเป็นพุทธชน จะได้ตังตต้งอกตั้งใจของตนต่อไปภายข้างหน้าตัวของพวกเราทุกคนอันจะได้สําเร็จมรรผลต้นจากการงเกิดเก่จิตตายในโลกตาไปภายข้างหน้าหน้าที่ของพวกเราบัดเดี๋ยวนี้จนหน้าที่ของพวกเราจะได้สะสมความดีของตนจนตลาดกันไปในชีวิตบัดเดี๋ยวนี้ เป็นในพรรษามีตัวของพวกเรายัางมีสีนิอันบคุคคลที่เกิดร้นเราความเดียวกันเขาตายไปเสียให้มากที่สุดแล้วเขาเรานั้นได้รับผลอะไรกันแล้วบางคนยังไม่ทันได้พักผ่ในความดีก็กันใดๆไม่จะเรื่องหากินตลอดกันไปเปสิ บางคนก็ได้ทำความดีของตอนนิดเดหน่อยหน่อยทนนั้นเองเหล่านี้โดยเหตุสัการใดก็คือความเมาความเมาในสังขารร่างกายความเมาในการจู ก, กานกินความเมาในการไปกลันมาความเมาไม่รู้ภาวรว่าชีวิตของตอนจะยืนยาวสัตการใด จนคนคนก็ักอยไม่จะเลื่มหาเลี้ยงรองร่างกายตลอดเป็นนี้ไม่ได้คิดอ่านถึงจิตใจของตนคือจิตเป็นเจ้าของของสานิละหลังตายอันนี้มันบริหารล่างกายอยู่ตลอดเป็นน็ตเมื่อบุคคลผู้แงควา ม, มคิดความอ่านเขาเอาธรรมะหรือเอาสัญญาความฉลาด รักษาจิตใจของตนใจของตนนั่นเองได้สมบัติความดีหน้าที่อันจะเสด็จต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็ียนใจเป็นมาเป็นนิจจาศตรไม่มงการที่จะได้ไปตกทุกข์ได้ยากไม่ได้ไปเป็นเปรตเป็นสีเป็นสัตรูการใดใดได้เป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ได้เป็นเทวบตรเป็นเทวดา ข้างเชื่อจนกว่าบารุงของตนสมบูรณ์จึงจะได้สำเร็จมาผลในชาตินาพุณเจ้าของลาพักพินโททะลวัชผู้เกิดในกลุ่มปุณโกสัมเพียเป็นเกษตรถึงสามร้อยชาและไดเป็นชีวบุตรจนอินชาติลาถึงสามร้ชาผลที่สุดได้มาเกิดในเมืองลาเตคื เชื่อว่าเป็นภูทรวัชระดยมีสระดับว่าพุทธเจ้าเสดขึ้นในโลกทันทีไปทันทีสดับรับวังก็สำนักหนักผลเป็นอิทธิพิภูทันทีในครอะไรผู้รักษาระดับความดีของตนไม่ตกทุกข์ได้ยากปักาัดในใจ ให้เราทุกคนต้องทิศอ่านว่าตัวของเราบัดเดี๋ยนี้คือจิตของเรานนัเองเป็นผู้บังคับผู้บัญชาเป็นเจ้ากี่เป็นเจ้าการเป็นผู้บังคับการหลักหลการให้ทําความดีก็เกิดขึ้นได้ให้ทําความโ่วก็เกิดขึ้นได้ใจบังคับหลังการทงนั้น เนี่ยอยากยังคิ้งมืดว่าใจของเราเนั่นเองเป็นเจ้ของใจของเรลเนี่ยเองเป็นตัวของหลังอยากจังว่าหลังกายอันนี้เป็นตัวของเราหลังกายอันนี้มันเหมือนเสือผ้าของพวกเราตั้งเหล่ก็เตรียมกันไปเป็นระยะระยะสลอดกันมาตั้งแต่เกิดมานี้ลาเตียมโชื้ผ้าแม่ทลายกันแล้วเนีให้แล้วทิ้งมืด ที่เราเกิดนโลกตั้ต่เริ่มเป็นสัตว์จาสามมาเป็นมนุษย์แม้เปลี่ยนร่างกายอันนี้จะเป็นอย่างกันแล้วเป็นสัตว์เป็นเศษเป็นกีวดาเป็นมนุษย์เราแง่เขียนไปเปลี่ยนมาสลอดไปเป็นนิสคีวิตใดเกิดพบปะบันิชีวิตนั้นแปลว่าได้เป็นมนุษย์เป็นกีวดา ดังนี้ยังตรบจมาพบตักบันดิตแล้วคือใครธรรมะขององค์ 95, 98, 90, 90, 90, 90, 90, 90. พุทธเจ้าถิ่นห้าถิ่นแปดถิ่นสิบิองราชิพิจิตรเนหน้พระตาถิ่นหม้อธรรมะดาษผาผาดัดั น, นที่องค์พุทธเได้ธรรมนั้นอาตมาได้แสดงในมีนเลยงขอนองคพุทธเจ้าโพธิมัต หาเป็นมหาสนุปปรามยถึงกิตวันได้ไทความเพียรพยายาบามีมันได้รับผลตนของตนได้สวยของราในมา่อมีเลาอายุเกิดขึ้นมาได้ไปเป็นเปลือกสีปมเพในคำนักตัดบะของตนได้คงยานองชานเกี่ยวก้า ให้แรงทุกคนจ่งติดนึกทุกติจวาวของแรงทำปัญหาแักปันจินทีเดียวนี้ตัวของเราเป็นมนุษย์ไดภพะแล้วธรรมะขององค์พุทธผู้แมิตาเัต์ทั้งหลายในโลกจึงไี้วางภระศาสนาไว้ห้าปันปีตัวของเราสุมมสมดมาไดภพะ จนขั้นพาการตั้งใจมียะความเพียนพยายามทําความดีของตนแต่แต่งเจะเดีเพิกตัพุทธิเจ้าตามมาอีภายข้างหน้าที่เราทุกคนสร้างบันทินคุณสมบัติความดีที่อาจจะมาในเส้นแดงในมียะของคนพุทธิเจ้าพอสมควรกับรักยีรา อีวางโกมิจุเอตกาลาสัีอายวัชกุชนวัชกุศีวัชกุเยวัชกุภะวัชกุนวัชกุสุขวัชกุโหตุสัพพะธาอายวัชตาชะวัชตาศีลวัชตาเยชวัชตาภะโรวัชตาวันนวัชตาสุขวัชตาโหตุสัพพะธาอายุวัน s u สุขังภะละ